วันหนึ่งวันหนึ่งคนเราก็ทำแค่สองอย่างเท่านั้นนะสองอย่างใหญ่ๆอันแรกคือหลับอันที่สองคือตื่นนะทั้งชีวิตคนเรานะก็มันก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละนะหลับกับตื่นจะเรียกว่าเป็นภาวะก็ได้นะภาวะหลับภาวะตื่นเราหลับ ประมาณหนึ่งใน3ของชีวิตหรือว่า1ใน3ของวันนะก็ประมาณ8ชั่วโมงเราตื่นอะ่ะสิชั่วโมงแต่ว่าตื่นนี่ก็จริงๆก็คงไม่ถึง16ชั่วโมงกันนะเพราะว่ามันมีช่วงเราหลับตื่นตื่นช่วงง่วงอย่างตอนนี้พวกเราตื่นก็กจริงแต่ว่าไม่ได้อ่าไม่ได้ตื่นกันเต็มที่นะมีความง่วงนะ ให้หลับกับตื่นนี่ก็เป็นเรื่องของกายนะส่วนเรื่องของใจเนี่ยมันก็ก็มีแค่สองเหมือนกันนะภาวะก็คือหลงกับรู้มีแค่2จริงๆนะคือหลงกับรู้ตอนที่หลับเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่หลงนะถึงแม้บางคนอาจจะ ส่งเสียงหรือว่าลุกขึ้นมาทำอะไรตอนหลับแต่นั่นก็ไม่ได้ทำด้วยความรู้คือรู้ตัวคนที่ละเมอเนี่ยเ้าก็ทำด้วยความหลงบางทีก็ละเมอพูดออกมาหรือว่าละเมอเดินไปโน่นมานี่เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าหลงนะ แต่ขณะที่ตื่นเนี่ยแม้ร่างกายจะตื่นสามารถจะเห็นสามารถจะได้ยินแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะรู้ตัวเต็มที่นะเพราะบางทีไม่ใช่บางทีอะส่วนใหญ่เลยไอ้ตอนที่ตื่นนี่ก็หลงเหมือนกันเรานอนวันลับ8ชั่วโมงนะ หนึ่งในสามของวันแต่ถ้าพูดถึงความหลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งในสามของวันนะมันมากกว่านั้นเพราะแม้กระทั่งตอนที่ตื่นเนี่ยเราก็ยังหลงอยู่ก็ได้แม้แต่เวลาทำงานเราก็ทำด้วยความหลงเสียเยอะนะมันมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเนี่ยเขาอุตส่าห์นะ ใช้เครื่องวัดการทำ ง, งานของสมองเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ละเอียดมากจนทั้งรู้ว่าจิตของเราหรือสมองคนเราเนี่ยมันทำอะไรบ้างในแต่ละขณะแต่ละขณะสมองส่วนไหนทำอะไรบ้างเช่นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้ด้านภาษาสมองที่เกี่ยวเรื่องการตัดสินใจสมองที่เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการควบคุมบังคับกล้ามเนื้อก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น แล้วเาพบ ว, ว่าทํางานแปดชั่วโมงเนี่ยทำงานจริงๆอ่ะนะทำงานด้วยความรู้ตัวอยู่ประมาณหนึ่งในสี่อหนึ่งในห้าไอ้สีในห้าเนี่ยคือใจลอ ย, ยทํางาน8ดชั่วโมงก็แสดงว่าทำงานจริงๆเนี่ยแค่ชั่วโมงเสร็จน ะ, ะที่เหลือเนี่ยคือใจลอยหรือว่าฟุ้งซ่านหรือว่าสับสนอันนี้ก็เรียกว่า หลงได้เหมือนกันนะทำงานรู้ตัวจริงก็แค่ประมาณยสิซ็นะ่าประที่เหลือก็คือว่าหลงนะมันเป็นหลงในภาวะเป็นความหลงท่ามกลางภาวะที่ตื่นได้ซ้ำนะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถึงแม้เราจะตื่นมากกว่าหลับนะ แต่ว่าถ้าพูดอย่าง่ายของความรู้ตัวเรารู้ตัวน้อยมากเราหลงมากกว่ารู้นะถึงแม้ว่าเราจะหลับน้อยกว่าตื่นอันนั้นเป็นเรื่องของกายหรเรื่องของใจแล้วเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้นะหลงทั้งในเวลาหลับนะแปดชั่วโมงต่อวันแล้วก็หลงแม้กระทั่งในเวลาตื่นนะ หลงนี่หลงเพราะอะไรนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงการหลงเพราะอารมณ์หรือถูกอารมณ์ครอบงาเรียกว่าเมาในอารมณ์ก็ได้เช่นความโกรธความเศร้านะความน้อยเนือน้อต่ำใจนะพอหลงเพราะอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ภาวะปกติไม่ทำกัน ซึ่งก็มักจะนำผลเสียทำให้เกิดผลเสียตามม า, ามณงที่ว่าเนี่ยนะหลงในอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดเมื่อมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งลบๆมากระทบนะหรือเมื่อมีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นกับตัวเราเช่นถูกดา่านะหรือว่า สูญเสียนะหรือว่าทําผิดทําพลาดนะอันนี้เรียกว่ามันประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนั่นก็เป็นทุกข์นะครานี้แม้กระทั่งประสบสิ่งที่รักนะก็ทําให้หลงได้เหมือนกันนะ เช่นกินอาหารที่อร่อยเนี่ยเจออาหารที่ถูกปากก็เกิดความดีใจนะก็กินใหญ่เลยกินกินกินอันนี้ก็เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากเพราะว่าอาหารที่ถูกใจอาหารที่ถูกปากมันเยอะไม่หมดเลยล้วหาง่ายด้วยแล้วพอเจอเข้าไปแล้วก็ลืมตัวทั้งที่ก็รู้ว่าร่างกายนี่มีน้ําหนักเยอะแล้ว อ้วนแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ถึงกับอ้วนแต่ว่ า, ามีปัญหาในร่างกายเช่นเบาหวานนกินหวานมากไม่ได้หรือหาเรื่องไตกินเค็มามากไม่ได้แต่พอเจอของชอบเนี่ยเจอของช่องก็ลืมตัวนะกินเข้าไปทั้งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไปถึงขั้นชีวิตนะอันนี้เรียกว่า หลงเพราะว่าได้เจอสิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ชอบทําให้เกิดสุขเวทนาพอเกิดสุขเวทนาแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มนะคำว่าหลงไหลได้ปลื้มก็ชี้อยู่แล้วว่ามันหลงเพราะว่าเจอสิ่งที่น่าพอใจทําให้ดีใจนะลงรักก็เหมือนกันนะรงรักนะคล้ายๆก็ชอบนะความรักมันทาให้เกิดความสุขแต่ว่าพอ สมปรารถนาแล้วหรือแม้อาจจะไม่สมปรารถนาจริงๆแต่ว่าใจเราปรุงเข้าไปแล้วนะมันก็หลงนะแล้วพอรักมากๆก็ลืมตัวนะไอ้ความลืมตัวว่าความลักก็สามารถจะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆได้มากมายสู่ความผิดพลาดได้เยอะๆไปหมดหนะลวงท่านนำไปสู่ความโกรธและความเกลียดด้วยพอไม่สมหวังยิ่งรักมากก็ยิ่งโกรธมากก็ยิ่งเกลียดมากนะ อย่างที่เล่านะเมื่อวานการที่ได้โชคได้ลามนี่ก็ทำให้ลืมตัวได้เหมือนกันนะพอได้โชคได้ลาบแล้วก็โอ๊ยดีใจความดีใจก็เป็นเหตุที่ทำให้หลงได้นะตวลตอรีรร่รางวัลที่1 ห, หรือว่าขายที่ได้หลายสิบล้านดีใจไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้นะก็ใช้จ่ายเพลิดเพลิน อาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นเอาแต่กินกินเที่ยวเล่นนะอันนี้เรียกว่าหลงนะเป็นความหลงที่ไม่ค่อยมีคนได้ตระหนักเห็นโทษภัยเท่าไหร่แต่ว่าก็เผลออยู่เป็นประจำสุดท้ายก็เงินหมดนะไม่เหลือหลอหรือไม่ก็เกิดโรคเกิดอันตรายนะบางคนดีใจนะได้ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัด ก, การนะหรือแม้กระทั่งนะมีความสมองในเรื่องความรักแฟนบอกรักโอ้ดีใจมากนะขับรถนี่ก็เอาแต่ใจลอยเพราะว่ารถเนี่ยแหกโค้งนะลงคูหรือว่าชนเสาชนต้นไม้ตายก็มีพิการก็มนะีมันไม่ใช่ไม่ใช่หลงเพราะว่าเสียใจไม่ใช่หลงเพราะว่า กลุ้มอกกลุ้มใจนะหรือโกรธแค้นนะแต่หลงเพราะว่าดีใจนะอันนี้ก็เป็นความหลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากนะเห็นของที่น่าพอใจอยากได้ก็ลืมตัวอย่างที่พูดไปเมื่อวานอันนี้เราเกิดโลภะเกิดราคะก็ทำให้อ่ไปแย่งชิงเข้ามาหรือไปทำสิ่งที่ไม่สมควร หลวงในอำนาจก็เหมือนกันนะอำนาจนี่ใครก็อยากได้พอได้แล้วก็ลหลงไหลได้ปลืม้มก็สามารถจะทำร้ายคนที่ปรารถนาดีกับตัวเองเช่นเขาปรารถนาดีเขาก็วิจารเขาก็แ น, นนะนํำก็ไปโกรธเขานะถามว่าเขาดูหมินถามว่าเขาเหยียดหยามก็จัดการเขานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะ ตลอดมาหลงในอำนาจเอเจนเจ็นเจ็ตเจนเนว่าคนเราเนี่ยแม้ในเวลาตื่นเนี่ยเราก็หลงได้ง่ายเหลือเกินที่จริงแม้กระทั่งการที่เรามีสุขภาพดีนี่ก็ทำให้เราหลงได้นะนก็คือใช้ร่างกายเนี่ยอย่างไม่บรรยบัญญันะหนุ่มสาวนี่เป็นมากนะ ก็ใช้ร่างกายอย่างสิ้นเปลืองนะในการหาความสุขนะหรือแม้กระทั่งในการทำงานอย่างทุ่มเทนะไม่หลับไม่นอนสห้าวันนี้ไม่หลับไม่นอนเลยนะเพราะว่าทำงานหรือว่าทุ่มเทนะกับภารกิจหรือแต่แม้แต่การเที่ยวการเล่นหนะลงในวัยนี่ก็เกิดขึ้นนะกับผู้คนมากมาย แค่เจอประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนี้ก็ทำให้หลงนะพัดพาจากสิ่งที่รักก็ทำให้หลงนะได้ทั้งนั้นถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตออคนเราเนี่ยนะในถ้าพูดง่าจิตใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้กันนะระหว่างหลงกับรู้นะมันก็แย่งชิงพื้นที่กันพยายามครอบงำจิตใจของเรา แต่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไอความหลงที่มันครอบงำงใจนะมากกว่าความรู้รู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายถึงการรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกนะแต่หมายถึงความรู้ตัวนะถ้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่สร้างความรู้ตัวนะ ให้เกิดขึนนะไอ้ความหลงเนี่ยหรือความลืมตัวก็จะเข้ามานะครอบงาจิตใจเรามากขึนนะในยามหลับนี่ก็หลงพอแรงอยู่แล้วนะตื่นนี่ก็ยังหลงอีกนะอันนี้อะไรที่ทําให้เรานะรู้ตัวหรือว่าสู้ออกับความหลงได้นะอันนี้เมื่อวานนี่ก็พูดไปแล้ ว, วสตินะสติความระลึกได้ความรู้ตัว คนเราเนี่ยถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทําให้สามารถจะรับมือกับความหลงได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเมื่อหลงในอารมณ์ที่เป็นรบนะอารมณ์ที่เป็นบวกและทําให้หลงเนี่ยสติก็สําคัญเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการกินอาหารเนี่ยกินแล้วลืมตัวเพราะมันอร่อยพออร่อยแล้วก็เกิดโทษกับร่างกายอย่งพระเจ้าปรเสนทิโกศลเนี่ยเป็นคนที่เพลินในการกินมากนะ แล้วก็พอได้กินของอร่อยแล้วก็เรียกว่าห้ามห้ามใจห้ามปากไม่อยู่จนกระทั่งนะอุ้ยอ้ายนะเดินก็ไม่สะดวกนั่งก็ติดขัดนะไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็เลยแนะนำนะว่าเนี่ยให้เอาคาถานี้ไปพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองนะว่าผู้มีสติรู้ประมาณในการบริโภคนะย่ามีอาภรราน้อยนะอายุยืน พระเจ้าปเสนที่กสืก็ชอบนะแต่กลัวว่าจะจําคาถานี้หรือว่าเตือนใจตัวเองด้วยคาถานี้ไม่ได้ก็เลยให้มหาเล็กท่องเอาไว้เวลาสวยพระกยาหารก็ให้มหาเล็กท่องนะหรือพูดก็ทําให้มีสตินะทำให้เกิดได้สติไม่เพลินในการกินก็กินพอประมาณอย่างที่พระเจ้ได้ตรัสเอาไว้ได้แนะนําเอาไว้ ไม่นานนะสุขภาพก็ดีขึ้นนะเดินเหินก็คล่องแคล่วก็ดีใจนะัไปกราบทูลพระเจ้าวะเนี่ยพระเจ้านี่นะสอนทั้งทางโลกทางธรรมทั้งในทางทิฏฐธรรมิกตะคือประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็สามประยิกัตะคือประโยชน์ทางจิตใจหรือประโยชน์ทางด้านในถนะ้าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็รู้ว่าความหลงเนี่ยมันพร้อมที่จะเล่นงาน ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามพยายามที่จะสร้างสติให้เกิดมีขึ้นนะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าสตินะมันจะทำงานหรือเปล่าก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะอย่างเช่นพระเจ้าเปรสันิโกสลก็อาศัยมหาเล็กนะเมื่อสักประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยน ะ, ะกรุงโรมเนี่ยนะเขามีแสนยานุภาพมากนะแล้วก็ สามารถที่จะยึดครองอาณาจักรที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำคัญได้เช่นคาเทสนี่คาเทสนี่มันใหญ่มากนะเป็นคู่แข่งนะอยู่ค่อนมาทางทิศใต้แล้วก็กระจายไปถึงต้นทางเหนือของแอฟริกาโรนก็ส่งแมตทับไป ช, ชื่อเอมิเลนัสนะไปไปยึดเอาชนะได้สำเร็จนะแล้วก็ทำลายคาเทจนพังยับเยินคากับนี่โรนก็ต้อนรับนะ ตอนรับเอเมเลนัสใหญ่โตเลยมีการสวนสนามการสวนสนามนี่ก็มีคนเป็นหมื่นนะหมื่นนี่สวนสนามนะไม่นับคนที่โห่ร้องอยู่สองข้างทางนะโห่ร้องสองข้างทางนี่คงหลายหมื่นคงเป็นแสนนะมีพลตรามีทหารหุ้มเกราะนำขบวนนะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เป็นขบวนเป็นรถม้าศึกของเอเเลนัส นะโอยิ่งใหญ่มากเขาโหร้องเอเมเรนัสนี่ก็นุ่งโหมผ้าม่วงเออผ้าคลุมสีม่วงนะทาหน้าแดงเลยเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเทพเจ้าจูปิเตอร์นะเป็นสัญลักษณ์ของเป็นเทพเจ้าที่พิทกษรุงโรมว่คนกษัตริย์ซ้องเขาเราก็เป็นเทพยดานะในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะเอเมเรเนสก็คงจะเหลิองนะ ว่าเนี่ฉันนี่แน่ฉันนี่เก่งเนียฉันเป็นเทวดาแต่เขาก็ยังฉลาดพอนะเขาให้ทั้งทั้งหลังเขาเนี่ยที่นั่งรถม้ามากับเขาเนี่ยเป็นทาทาท่านคนนี้ท่าน้นจิตตะโกนบอกเขาข้างหลังนะว่าอย่าลืมนะว่าท่านยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะหน้าที่ของทานมีแค่นี้แหละตะโกนบอกเขานะว่าเนี่ยท่านยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็คือการเตือนสตินะ เตือนสติไม่ให้ไม่ให้ลืมตัวแต่คนเราธรรมดาเนี่ยนะจะหาจะหาตัวช่วยมาเตือนสติมันก็ยากนะจะไปเพราะเราไม่มีปัญญาจะไปจ้างคนมาเตือนหรือถึงจ้างคนมามันก็ไม่ไม่พอเราต้องสร้างสติได้ตัวเราเองสติมันทําให้รู้ตัวนะการที่เราลึกนะ การเตือนให้เรารู้ถึงความจริงอยู่เสมอเนี่ยนะมันช่วยทำให้มีสติได้อย่างเช่นท่านคนที่ว่าเนี่ยนะว่าท่านอย่าเปนมนุษยธรรมดาคนหนึ่งนะก็คือว่าท่านนี้ไม่นานก็ต้องตายนะอย่าไปคิดว่าจะอยู่คำฟ้าให้การที่เราหมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอนะถึงความจริงของชีวิตเนี่ยมันทำให้เราไม่หลงนะอย่างเช่นเมื่อสักคู่เราสวดนะ หรือวาอ่าพิจารณาอภินหนปัจจเว e เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเตือนสติตัวเราเองนะถ้าเราไม่สวดแต่เป่าเปล่าเปลไปตามที่ตามที่คนอื่นเขาสวดกันเราสวดตามแต่เราพิจารณาไปด้วยเราก็ได้สติเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบเป็นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบเปความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพิความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเอาสี่ข้อแรกเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วทำให้เราได้สติขึ้นมาเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเรามีสุขภาพดีเรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะเพลินแล้วก็พอเพลินแล้วเราก็หลงนะมันอยู่กับเราม า, มาเป็นเวลานานในความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือความมีสุขภาพดีเนี่ย คนบางคนเนี่ยสมมุติอายุสัก80ปีเนี่ยกว่าจะเจ็บป่วยก็โ น, นอนตอนอายุ70นะถึงค่อยแสดงตัวชาถึงตอนนั้นกำลังวังชาก็เริ่มแสดงตัวว่าถดถอยมากไอ้ช่วง70ปีแรกเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่สบายเป็นปกติไอ้ตรงนั้นแหละที่จะเกิดความหลงได้ง่ายนะเพราะว่าไปหลงคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปนอนจะอยู่กับเราไปตลอดมาเตือนอย่างนี้ไว้บ้างนะ โดยพู้ท้าควที่ยังหนุ่มังสาวอยู่อายุสัก 20-30 เบสพิจารณาหรือเตือนตัวเองอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่ไม่หลงในวัยไม่หลงในสุขภาพนะก็ตระหนักอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เรามีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอสิบปีสามสิบปีข้างหน้าวันนี้สุขภาพดีพรุ่งนี้ก็อาจจะป่วยได้นะวันนี้หนุ่มนะ พุงนี้อาจจะแก่ได้เลยนะที่จริงมันแก่ตลอดเวลารวมทั้งความข้อที่สเนี่ยเราจะต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจทางนั้นไอของรักของชอบใจเนี่ยนะมันอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะอาจจะหมายถึงคนรักก็ได้อาจจะหมายถึงสถานภาพที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ไปหลงเพลินกับมันนะเราเพลินกับมันได้ง่ายนะโดยเพราะการ ไปเข้าใจผิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเสื่อมนะอันนี้เรียกว่าความหลงกันนะเราเรียกว่าหลงผิดนะหลงผิดคือไม่เห็นความจริงนะการเตือนสติเนี่ยนะอย่างนี้มันทำให้เราในตระหนักนะพอเราตระหนักว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะได้ไม่ไม่ยึดกับมันมากเกินไป เรียว่าไม่หลงยึดกับมันนะไม่หลงยึดว่ามันเที่ยงไม่หลงยึดว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดร่างกายนี้จะไปเคลื่อนจะให้ความสุขกับเราไปตลอดนะตอนนี้มันให้ความสุขกับเรานะมันพาเราไปกินอาหารที่อร่อยมันพาเราไปอ่ไปเที่ยวไปเล่นนะไปจีบแฟนนะไปหาความสุขกอบกลยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่วันหน้าเนี่ยมันจะ นำพาความทุกข์มาให้กับเรานะปอดที่ทำงานได้ดีตับที่ทำงานได้ดีหัวใจหรือแม้แต่สมองเนี่ยนะวันหน้านี่มันสามารถจะกลายเป็นตัวสร้างทุกขเวทนาให้กับเรานะี่จะวางใจไม่ได้จะไปหลงยึดควาใจให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันสามารถจะกลายเป็นเป็นมีดเป็นเป็นเหล็กที่ทิ่มแทงเราเป็นไฟที่เผา ร่างกายเราก็ได้นะพอพอมะเร็งเกิดขึ้นนะหรือว่าพอมีไขมันนะตามเส้นเลือดนะทำให้หัวใจแย่ลินหัวใจรั่วตอนเนี้โอ้มันทุกข์ทรมานมากเอาวิวัฒน์ที่เคยให้ความสุขกับเราร่างกายที่เคยให้ความสุขกับเราตอนนี้มันแปรพักแล้วต่อไปมันจะแปรพักนะมันจะกลายเป็นทิ่มแทงเรา จนกินไม่ได้นอะไม่หลับจนกระทั่งอยากจะบอกว่าอยากตายอยากตายนะคนที่เป็นมะเร็งหลายคนเนี่ยนะถึงทีสุดก็บอกว่าอยากตายไอตอนที่สุขภาพดีก็อยากอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายไอการเรารึ้ถึงความจริงแบบนี้มาทให้ได้สตินะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์จะไม่ทาให้จมอยู่ในความหลงนะ พระเจ้าเนี่ยท่านพยายามที่จะสอนให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยมีสติไม่ตกอยู่ในความหลงด้วยวิธีการต่างๆนะนอกจากนอกจากการเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยนะการให้เราลึกถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็เป็นวิธีในึงในการเตือนสติได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนาคตภาย5ประการ อันเนะราก็จะไป5ประการคือภายที่เกิดขึ้นในอนาคตพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมองไปข้างหน้านะคนไม่เข้าใจพุทธศาสนพุทธศาสนาเนี่ ย, ส, ยสอนให้อยู่กับปัจจุบันแปลว่าไม่ต้องไปนึกถึงข้างหนา้าหรืออนาคตที่จริงนึกได้รืละลึกได้ถ้าหากว่ามันทำให้เราเกิดความรู้ตัวไม่จมในความหลงหรือว่าทำให้เราเนี่ยเห็นความสาคัญของการ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างเช่นนักขต่อไป5ประการเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใช้เตือนตัวเองว่าในขณะที่เรายัางหนุ่มยังสาวยังมีกําลังวังชานให้เราเลืกว่าวันหน้าเราจะป่วยนะ ว, วันหน้าเราจะแก่นะจะไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงตอนนั้นก็การปฏิบัติธรรมก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งรีบปฏิบัติธรรมซะ ใครที่คิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมตอนแก่นี่ประมาทนะเพราะว่าถึงพ อ, พอแก่แล้วนี่ก็ จ, จะปฏิบัติธรรมลาบากนะร่างกายก็ไม่สะดวกนั่งก็นั่งไม่ได้นานและที่สำคัญคือว่าอาจจะไม่ได้แก่นะอาจจะตายซะก่อนนะข้อที่2คือว่านครที่เราสุขภาพดีมีอาภาษน้อยพระพุทธศาสนานีไม่ใช้คําว่ามีสุขภาพดีนะทำไมใช้ว่าอาภาษน้อยแปลว่าอะไรหมายความว่า ความเจ็บป่วยเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าน้อยหรือมากไอ้ที่เราคิดว่าเราสุขภาพดีเนี่ยที่จริงก็คือว่ามันมีความป่วยอยู่แต่มันน้อยนะถ้ามันมากเมื่อไหร่ก็ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อนะให้สังเกตนะท่านไม่ใช่คําว่ามีสุขภาพดีท่านใช้คําว่ามีอ า, าพาธน้อยก็คือมีทุกอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยในขณะที่มีสุขภาพดีมีอ า, าพาธน้อยก็ให้เราลึกว่าวันหน้านี่ยเราจะ จ็ป่วยถึงตอนนั้นก็ทําปฏิบัติธรรมได้ลําบากแล้วเพราะนั้นเนี่ยขณที่มีอาภาษน้อยมีสุขภาพต้องรีบทำซะข้อที่สามเนี่ยค่ที่เรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็ให้ตระหนักระลึกว่าวันหน้าเนี่ยอาหารจะหายากนะถึงตอนนั้นจะปฏิบัติธรรมลาบากแล้วการมีอาหารอุดมสมบูรณ์นี่ก็ สำคัญนะสอการปฏิบัติธรรมเป็นสัพยยาข้อหนึ่งสัพยยาแปลว่าสิ่งที่ทําให้สบายทำให้สะดวกกับการปฏิบัติว่าในขณะที่มีอาหารการอยู่ในสมบูรณ์ก็อย่าประมาทนะก็ต้องเร่งทำความเพียรข้อที่สีใ่ใขณะที่บ้านเมืองสงบราบเรียบนะผู้คนสมัคคีกันก็ให้ระลึกว่าวันหน้าเนี่ยอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันนะเกิดศึกสงครามนะถึงตอนนั้นก็ปฏิบัติธรรมลำบากแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้รีบทําแต่ตอนนี้ ข้อสุดท้ายคือว่าะะที่หมู่สงหรือว่าชุมชนของเรานะยางราบรื่นงกลมเกลียวกันก็ให้ระลึกไว้ว่าวันหน้าอาจจะทะเลาะเบาแวงกันนะแตกสา ม, มัคคีกันถึงตอนนั้นก็ไม่เป็นอนปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเล่นปฏิบัตินี่คือวิธีการทําให้ไม่หลงนะไม่หลงในในความสุขความสบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นการกระตุ้นทําให้เกิดความรู้ตัว หรือว่ารู้สถานการณ์ไม่ลืมตัวนะอันนี้บางทีเราก็ใช้คาว่าทำให้ได้คิดนะเลาลึกถึงสิ่งหลไรที้ทำให้ได้คิดทำให้ได้สตินะสติในที่นี้เนี่ยสติเกิดขึ้นเมื่อได้คิดถึงอนาคตว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้หรือเราลึกถึงความไม่เที่ยง แารเรารู้ถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรากำลังเสพกำลังเสวยอยู่กำลังครอบครองอยู่เนี่ยมันทำให้เราได้สตินะแล้วก็ทำให้หลุดจากความหลงนะถ้าเราทำแบบบ่อยถ้าเราทาแีบาาบ่อยเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้ตัวรู้เนี่ยมันมันเพิ่มผนมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้ความหลงนี่เข้ามาครอบงาจิตใจเรานะ จนหมดเนื้อหมดตัวการมีสติอย่างนี้ต้องอาศัยการระลึกอาศัยการคิดนะการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แต่ว่าสติตัวนี้ที่สําคัญก็คือการนะการเห็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราในขณะนี้รวมถึงเห็นความคิดที่มัน เรื่อคิดนะในหัวของเรารวมถึงการเห็นความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายของเรารวมถึงการรู้ว่ากายของเราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นสติที่ละเอียดกว่าการได้สตินะเพราะว่ามีคนมาเตือนหรือเพราะเราลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารสติตัว ตัวที่เป็นการเห็นสภาวะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมีด้วยนะให้เพียงแค่ราลึกนึกถึงถึงความไม่เที่ยงของสังขารราลึกถึงความอนาคตควัตตไปห้าประการเนี่ยอันนี้จำเป็นมากแต่ว่าเป็นการได้สติเพราะการคิดนะถึงความจริงหรือการพิจารณาถึงความจริง แต่การที่มีสติรู้ทันในแต่ละขณะแต่ละขณะนะรู้ทันในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นภาวะอารมณ์ภาวะหรือความคิดเนี่ยก็เราต้องมีเหมือนกันนะอันนี้เป็นสติที่ไวนะเพราะว่ามันรู้เป็นขณะขณะขณะไปเลยนะไม่ใช่เป็นเกิดจากการที่ได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของเราโอ้นี่เรากำลังเผลอไปแล้วนะนี่เรากำลังหลงไปแล้วนะปีที่ผ่านมานี่เราหลงขณะนี้ช่วเลเนี่ยอันนี้ อันนี้ว่าเกิดจากการทบทวนใคร์ควรชีว์แล้วมันเกิดได้สติขึ้นมาแต่ว่าสติที่เป็นสติประฐานสีเนี่ยมันมันมันทำงานได้ไวกว่านั้นนะคือมันรูปในขณะนั้นเลยเป็นขณะขณะขณะเลยนะแม้แต่ในเวลาที่เราได้สติว่าเออเราต้องทําความเพียรแล้วนะถึงแม้เรายังหนุ่มยังสาวาเรายังมีสุขภาพอยู่ต้องต้องทําความเพียรอย่าอย่าไปหลงตัวลืมตนเพลินกับ ยศถาบรรดาสักยยศหรือเพลิงกับความสุขสนุกสนานความสดสบายแม้คนที่เราได้สติอย่างนี้แล้วเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เผลอมันกันนะหลงมันกันนะนะการได้สติทําให้เรามาวัดนะหลายคนมาวัดเพราะได้สติว่าได้คิดว่าชีวิตเราไม่เที่ยงเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ใครที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็ยังหลงมากกว่ารู้นะ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยนะความหลงก็เล่นงานมันกินจิตกินใจเราไปนะมากทีเดียวแต่ถ้าเราเราจะไม่ต้องมีสติที่รู้ทันได้ไวนะเป็นขณะขณะตรงนี้แหละเป็นงานของสติปัฏฐานสี่เป็นสมาสติที่เราต้องมีนะและไม่ทำให้ความหลงเนี่ยนะไม่สามารถจะครอบงำเกาะกลุ่มจิตใจเราได้ไม่ทำให้รู้เนี่ยนะมากกว่าหลง ทนะาให้รู้มากก็หลงไม่ใช่หลงมากก็รู้นะแล้วจริงๆคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติจกนกระทั่งเกิดปัญญานะรู้แก่รอบในสังขารนะเท่าทันความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยสามารถที่จะขจัดความหลงให้ออกไปจากใจได้จนหมดสิ้นนะหรือแต่ความรู้อย่างพระอรหันต์นี่ท่านรู้รู้ทั่วเลยรู้เรียกว่าไม่มีหลงอีกต่อไปเลยร่างกายยังนอนตงต้องนอนอยู่นะ แชั่วโมงเจ็ชั่วโมงหชั่วโมงนะส่วนใจนี่มันความหลงนี่สามารถจะเลือนหายไปได้เลยนะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนะเหลือแต่ความรู้คือรู้ตัวเนี่ยอันนี้ทำได้แล้วยังต้องหลับอยู่นะแต่ว่าหลับก็ยังรู้เหมือนกันน ะ, ะแล้วก็ชาญนิ้พุทธะท่านนี้ครับ